ลูกรักทั้งหลาย <c oughs> สาหรับตอนนี้พ่อจะขอพักเรืนขาวนเสาพรมสักครูหนึ่งจะมาเล่าประวัติผู้แทนตัวอย่างเออผู้แทนที่ดีเนี่ยเขามีมาในการก่อนเวลานั้นรู้สึกว่าปริญญามีน้อยคนที่ได้ปริญญาในประเทศไทยพ ญ, ญาตรีก็มีน้อย ้วการเสร็งการจากตามประเทศก็มีน้อยและปรากฏว่าผู้แทนรุ่นแรกๆเขาเป็นผู้แทนที่ดีมากใช่วาจาก็ไม่สามหาวไม่สมรากไม่ด่ากันเวลาเลือกผู้แทนเขาก็ไม่โจมตีคนนนท์เขาไม่โจมตีคนนี้น ยิงได้คนดีเข้าไปมากและก็ค น, นแต่ละคนที่เข้าไปเป็นร้แทนฎรเวลานั้นมีบทเฉพาะการสำหรับรัฐ ธ, ธรรม น, นูญเพราะเป็นการเปลีป่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆว่าฝ่ายคณะราษ จ, จะต้องยึดอำนาจในการปกครองชั่วคราวระยะสิบปีเพราะว่าการศ็กษาขบัรดาประชาชนยังไม่ดี ความจริงพ่อก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีปริญากันเกลื่อนพ่อก็ยังคิดว่าการศึกษากับประชาชนยังไม่ดีไหมกันเพราะการศึกษานี้ต้องใช้สามอย่างควบกันหนึสัญญาความจำจำจากรรารา สองมีปัญญาในการใช้หลักวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและการรัศมีสามความสา ม, มารถแล้วก็การเข้าถึงประชาชนมีจิตใจเสียสละน่าจะเป็นสี่ควรจะเป็นสี่ว่าการเข้ามาบริหารประเทศจะเป็นผู้แทนรัศดรก็ดี จะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นข้าราชการก็กดีทุกคนคนประเภทนี้ต้องทำงานเพื่อชาติไม่ชำม้ำทําทำงานเพื่อสนตนแล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายสุรุยสุร่ายไม่เคินพอดีเพราะนั้นว่าเวลานี้การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีปริญามากพ่อขา่าอยังไม่ดี มันมีแต่เพียงว่าการศึกษาหาความรู้ใช้สัญญาจำเข้ามาเท่านั้นปริญญาก็คือกระดาษแผนหนึ่งราคาไม่กี่สลงึงแต่ว่าปัญญาที่หลรักปัญญากับการเสียสละความสามารถของคนหายยากนี่เราต้องการเช่นนี้แต่ความจริงเราจะเคยเห็น ถ้าเขาหากว่าเคยเป็นครูจะมีครูหลายคนที่ไม่มีวุฒิสูงแต่มีความสามารถดีเันนี้อาศัยประสบการณ์สำหรับผู้แทนนัสรดอยก็เหม็นกันคนที่จะเป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นผู้แทนบุคคนมาก่อนก่อนที่จะเลือกเพื่อนึงสนใจกับความเป็นสุขเป็นทุกข์ของบรรดาประชาชน ราการที่สองมีความอบอ้ อ, อมอารีเรืการที่สามเมื่อเพื่อนเป็นทุกขคนไทยทุกคนเป็นทุกเป็นทุกด้วยสหายทางจะช่วยก่อนก่อนที่เป็นผู้แทน <c oughs> แล้วก็ราการที่สี่ไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักฝ่ายบริหาร <c oughs> อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาล ไม่พูดว่าถ้าขบ aja ได้เป็นรัฐบาลขยับจัดจะทจาจําทอย่างนั้นขบ aja จะทําอย่างนี้ก็ลองถามเขาดูว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะต้องการเงินเดือนมากกว่าผู้แทนไหมถ้าเขาไม่ต้องการเลยก็ดีอยู่นิดหนึ่งแต่ระหวังเงินเดือนของรัฐบาลไม่มีความสําคัญสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือน คนที่เป็นรัฐบาลถ้าหาว่าเขาเห็นว่าเงินเดือนสําคัญก็อย่างดีแต่ก็เห็นว่าเงินเดือนไม่สําคัญเขามีเห็นความสําคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนในประเทศชท่าทางแล้วกับบริการต่อไปก็ต้องมีมันสมองสูงเห็นทุกคนรัศดรเป็นทุกข์ของตน ไม่ใช่รสดร น, นอนหนาวถูกรุกรานรัฐบาการต่างๆแต่คนที่เป็นรัฐบาลกันนอนเฉยสบายเไม่ว่าฉันทําทองไม่ร้อนใครจะลุกใครจะรานใครจะด่าใครจะว่าจะชมุมนุมอะไกันที่ไหนรัฐบาลก็ทําเฉยกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลเห็นไม่มีความหมายนี่เรียกว่าทรัพย์สิสขนของรัฐบาลของรัฐ จะชี้หายไว้ว่าจะไงก็ช่างใครยะเผาใครยะพังใครทำลายใครที่ไหนก็ช่างคนที่เป็นรัฐบาลทำเฉยแต่ว่าพอใครเขาจะมาแตะรั้วข้างบ้านโกรธคนประเภทนี้ถ้าดีประวัติมีก็จะเลือกเข้าไปเลยเลือกเข้าไปไม่ชาประเทศชาติก็พังก็สลายตัว อีบริการหนึ่งคนที่ดีแต่พูดชอบด่าคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบกันได้กระแสคนนั้นชอบกันแด้กระแสคนนี้คนประเภทนี้ยังเป็นวาคนมาจาเสียคือเป็นวาจาส่อเสียดแล้วก็ทําลายบุคคลอื่นคนประเภทนี้จงอย่าเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนรัศดรเข้าไปก็ไปสร้างความวุ่นวายในสภา จะยกตัวอย่างบุคคลสักคนหนึ่งในจำนวนคนเกือบร้อยเปอร์เซน์ในสมัยนั้นเขาเป็นคนดีแล้วพ่อจะเอานำมาพูดทุกคนมันไม่ไหวตัวอย่างคนหนึ่งก็นั่นคือนายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนรัศดรจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้เป็นผู้แทนรัศดรเต็มร้อยเปอร์เซนต เมื่อเป็นผู eh? ้แทนนสันนนแล้วมีอยู่ว่าสมัยนั้นถ้าผู้แทนคนไหนดีเขาก็คัดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคณะราชหรืคณะผู้ก่อการล้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยเมือเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถือว่าที่เรียกกันว่าเป็นผด็จการจะต้องครองหน้าหยุดสิบปีตามบทเฉพาะการ ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่วเฉพาะพวกเขาเขาก็เลือกผู้แทนที่มีความสามารถอย่างคุณคงฤทธิศึกษาก่อนเนี่ยเคยเป็นศึกษาเอเมรเป็นข้าราชการชั้นจัตวาเขาก็เลือกเอาเข้าไปเป็ น, นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคนนี้ทำงานได้ดีมากเป็ น, นรัฐมนตรีอยู่หลายสมัย ยังกับคุณอะไรละ่ะพอ่อก็นึกชื่อไม่ออกแต่คนนี้เป็นประหลัดอำเภอก็เป็นประหลัดอำเภอตรีมจะเป็น ต, ต, ตรีจตวาไมาา่ทราบพ่อพอนึกชื่อว่าชื่อคุณราชวัตรคุณสมาหานิตาคดี คนสมานัาหายแต่คดีคนนี้เป็นประหัดอำเภอเั้นจัตวาเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยมาไทยอยู่หลายสมัยนียกแต่เพียงตัวอย่างว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้ปริญญาถึงแม้ว่าเขาจะมีบทเฉพาะการไฟคณะราช หรือว่าผ <h> ู้ก่อการรบล้างรัฐบาลสลาชาทิปัไตมาเป็นรัฐบาลถ้ามีบทเฉพาะการว่าเขาจะต้องคุมการบริหารประเทศไปสิบปีแต่เขาก็ไม่ได้คุมโดยเฉพาะพวกเขาถ้าผู้แทนที่ดีเขาก็เอาเข้าไปเหมือนกันล้วก็ทำงานได้ดีด้วยการพูดการโจมตีซึ่งกันและกันในสภาใช่วาจาสามหาวก็ไม่มี การพูดแต่และคำที่ออกมารู้สึกว่าเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดเพื่อชาติกันทุกคนสมัยนั้นไม่มีพักพักการเมืองเรื่องพักการเมืองนี่พอไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีเพราะไม่ทราบแต่เวลานั้นไม่มีพักต่างคนต่างใช้ความคิดความเห็นเบอสระเพราะว่านั่นมันเป็นประชาธิปไตยแท้ ถ้าเข้าไปในรูปของพักการเมืองก็ย้อนอยู่นานในของพักเคยมีผู้แทนหลายคนเอามานั่งบนว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างนี้จะแสดงออกก็ไม่ได้ต้อสุดแล้วแต่คนหน้าพักเขาจะพูดแบบไหนจะเอาแบบไหนแล้วพวกก็คิดว่าคนหน้าพักนี่ไม่ใช่พระอรหันยังมีความรักในเพศยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลง ก็เห็นพรรคอยู่พรรคหนึ่งสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์ที่คุณคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ว่าหลวงโกวิตรไพรวงตอนนั้นดีแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาใช้จะปัดไปปัดมาซะแล้วมาตอนหลังหลังจากที่คุณคงตายไปแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้ ว, ว่าเขาเลวแต่ว่าความมั่นคงไม่เหมือนสมัยนั้น สมัยนั้นคนคงเวลาที่คนเดียเข้าไปเป็นสมาชิกร่วมด้วยป เ, เป็นเสนาบดีคณะในทักพ่อเคยได้ฟังคำแนะนำของแกเคยนั่งฟังก็ดูว่ากยยเทศในเอ็นให้ละความโลภความโกรธความหลงละการเห็นแกนตัวทั้งหมดให้ทำกวนเพื่อชาตินี่คนนาพนทักเข้าไปอย่างนั้น เป็นนั้นว่าสำหรับนายสมาสนิทั่า์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเวลาที่แะหาเสียงก็ใช้เงินไม่มาก <c oughs> เปนน็นว่าใช้คนสองสามคนเป็นเพื่อนเดินเข้าไปถึงประชาชนท้องบ้านเดินหาเสียงด้่ความจริงใครก็ไม่รู้ว่าจะดีแลอไม่ดีเหมือนกันแต่คนไทยเราก็มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าเขายกมือไหว้และเขายิ้มแลว้วก็วอกดีแต่ว่านายสวัสดิ์สนิทภัยคนนี้เดินเข้าไปหาเสียงไปขอร้องไปขอเสียงเองถึงบ้านตามปกติไปทา น, นายทา น, นายสมัยนั้นเขารู้สึกว่าใหญ่โตมากมีคนกลัวถือว่าเขารู้กฎหมายแต่ว่าท่านนายเข้าไปถึงบ้านยกมือไหว้ด่าไม่ว่าใครตอนนี้มันเป็นการชนะกําลังใจเช่งกันเลยกัน แล้วการหาเสียงก็ไม่โจมตีบอกคนอื่นก็บอกว่าถ้าเห็นสมคนว่าผมดีก็เลิกผมนะครับแต่หาว่ายังไม่จะเห็นว่าคนอื่นดีจะเียกคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมมานี่ผมมาขอร้องท่านมาตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนของท่านการทำแบบนี้ใช้ทุนไม่มากขยายเสียงก็ไม่มีเดินหาเสียงก็จริงๆ ในที่สุดบรรดาประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเสี่ยงคิดว่าเจ้าพูดแทนคนนี้หรือว่าเจ้าทนายคนนี้ทำตนมันยาจกมาขอถึงบ้านก็ลองให้มันดูอนรุษาเดินไปเดินมาแบบนั้นก็ลองให้ดูมาดูแล้วก็มีผลเป็นว่าในสมัยนั้นแท้ใครพูดมาก เขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นเลขาธิ ก, การของรัฐมนตรีบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหลายย่งเลือกตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีตำแหน่งเลขานิ ก, การของรัฐมนตรีก็ดีเป็นตำแหน่งถ้าคิดจะโกงก็คืนได้เงินมากนี้ต่อมาในสว่างกะหาเสียงแบบนั้นเข้ามาแล้ว อะไรได้เขตจังหวัดของแกถ้ามันไม่ดีแกก็ตั้งกระโู so ่ถามรัฐบาลและแกก็เป็นคนเอาจริงเอาจังพ <Okay. S 2> ูดกันง so, uh, ่ายๆว่ารัฐบาลไม่จะเกลียดปากในสว่างแต่ว่าเขาไม่ได้ด่าโวยโวยเขาไม่ได้โจมตีส่งเลยเขาพูดประกอบเรียดที่ผลพูดแบบทนายโพด ใครคนรัศดรฟังเสียงรัตนสว่างพูดในสนภาก็ชอบใจนัานจุดหนึ่งแล้วมาเมื่อสมัยเมื่อเลือกจับได้เป็นผู้ทแทนรัศดรแล้วรัตนสว่างก็ไม่ได้เงียบหายไปเดินทางไปเยี่ยมบรรดาประชาชนอย่างหลายที่เลือกเขาไปเขาก็ ไ, ไปขอบคุณทังบ้านอีกว่าระหนึ่งไปทุกบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด แล้วก็ไปก็ไหวยกมือรกยกรอบลับมอบลับกรบั บ, ร บ, บ, รบไหว้ตามเดิมเพราะว่าถ้ามีธุระอะไรแล้วก็ไปหาผมที่จังหวัดแต่ครับผมตั้งสํนักงานไว้ <c oughs> <c oughs> เวลาผมไม่อยู่ไม่เป็นไรมีน้องชายผมคือในสแสวร์สนิทพันเป็นน้องชายคอยต้อนรับอยู่ที่สํนักงานที่จังหวัดแต่การที่จะเยี่ยมจเยือนเนี่ยคนท่านจังหวัดเป็นลายว่านจากการประชมุมผมขอมาเยี่ยมครั้งเดียว น, นะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรไปหาผมที่สานักงานในเวลาที่เราสนดอนไปหาเขาที่สนักงานเขาอยู่แล้วไม่อยู่น้องชายอยู่ก็รับรองดีเป็นกันเองพ่อก็มานั่งคิดว่าเงินเดือนในสว่างสมัยนั่งเงินเดือนสี่ร้อยบาทคงไม่พอใช้แน่แต่ค่าขอาเงินมันสูงถ้ากอาศัยชีวิตทนาย นี่ถ้าบังเอิญลัศดรถ้าพิจารณาแล้วถ้าถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีความผิดแกก็ว่าความฟรีการว่าความห้ศดรนั้นฟรีแท้จริงๆแต่ต้องพิจารณาก่อนถ้าผิดได้ถูกถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนจะเป็นท่อยร้อยความกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าแกรู้เข้ามัจะไปหาก่อนหาทางไกลเกลี่ยให้ตกใงกันเองที้เหตุชี้ผลเรื่องการเป็นความเป็นถ้อยเลย่ยความกันมันเสียหายมากกว่าทัวร์จสุก็งามไม่บางทีคนชนะก็หมดตัวนี่แกอยากคดีซะเยอะที่เหตุชี้ผลเอาไปนอนที่บ้านเปน็นอ ย, ค, ยคุยกันทั้งโจทย์ทั้งจำเลยอย่างนี้ไม่ต้องว่าคดีเสียก็เยอะ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อจะนามาโพสกอเป็นเรื่องน่าคิดสมัยนั้นท่านจอมพลปอพิบูลสงครามแที่เรียกกันว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกท่ถถาธรมนตรีมีจุดอยูจ่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าสมัยนั้นก็ถือว่าเชื่อผู้นําชาติพ้นภยัย แต่ความจริงท่านจอมพลปอท่านก็ บ, บอกว่าไอการให้ทำอย่างนั้นเพื่อคนอใ จ, จมารวมจุดกันอยู่ที่จุดจุดเดียวแต่ผู้นำก็ไม่ได้สแสดงออกขึน้นนายกครับเราผู น, นํานายกก็ไม่ได้สแสดงความคิดเห็นแต่คนเดียวก็ต้องอาศัยการปรึกษาหรือคณะรัฐมนตรี อ, อาศัยสภาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการสร้งางกำจุกำลังใจให้มารวมอยู่จุดเดียวมาสะดวกกับการบริหารประเทศส ะ, สะดวกกับการก้าวหน้าสำหรับท่านจอคพลปอ น, นี่ก็น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็แนะนำให้ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ถ้าประเพณนีนี้ตาของท่านไม่เลิกไม้ล้มไปมันจะทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะพริก ครบหนึ่งเวลานี่หนึ่งบาทแล้วก็กินไม่ได้ราคามันมากกว่าถ้าทุกบ้านมีสวนครัวคนเล็กๆในน้อยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูบ้านจะสองตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอ้เป็ดไอ้ไก่นี่ก็กินไข่ได้นี่พ่อพูดทางเรื่องของบ้านเมืองแนละ้วไม่ใช่บทหนึ่งของพระแต่ว่าท่านจอมพลปอก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่น่ายคิด เวลาที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันถ้ามีเพื่อนมาบอกว่ารัษฎรต้องการอย่างนั้นรัษฎรต้องการอย่างนี้ท่านก็จดจดแล้วท่านก็ น, นำไปพิจารณาว่าไม่ควรหรือไม่ควรเอ่ยควรไม่ใช่าอาจจะเป็นพระราชกฤจดีกาหรือพระราชบัญญัติออกมาให้ผู้แทนรัษฎรพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามีการรีบด่วนระหว่าง น, นั้นเป็นสว่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ก็มีจุดหนึ่งที่เรียกเขว่ารัฐนิยมถ้าว่ารัฐนิยมหมายว่ารัฐนิยมไม่รัฐนี่แปลว่าวันแขวนก็ไม่มีไ ม, ไม่เป็นพระราชมัญญะทไม่เป็นไม่มีไม่เป็นพระราชกิตตีการัรฐนิยมนี้พอจาไม่ได้ว่ามีเจ็ดหรืแปดข้ออย่างใส่หมกสวมรองเทา้าห้ามกินมากอะไรก็ตามทำอะไดําร า, า, าวอันนี้ก็ทรมานทรมานไม่กัน แล้วมีข้อหนึ่งที่ในสว่างต้องเป็นป่าเป็นเสียงกับรัษฎรอย่างนักคือแพรที่จอดในลำน้ําทั้งหมดเห็นว่าเป็นการเกะกะพื้นที่การสัญจรในลําน้ําไม่สะดวกให้ทุกคนยกของแพรยกขึ้นไปบนบกภายในยักกี่เดือนกไ็ไม่ทราบอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนไม่ทราบไปยกขึ้นบกทั้งหมด ถ้าลูกของพ่อถ้าไม่ใช่เจียวของแพรก็คงจะไม่หนักใจถ้าลูกเป็นเจวของบ้านเดียวของแพรจะรู้สึกว่าหนักใจไอ้การยกแพรขึ้นบ้านนหนึ่งต้องหาสถานที่ที่จะปลูกบ้านถ้าหาไม่ได้เขาอย่าราคาค่าเช่าแพงๆแล้วก็ต้องให้เขาต้องเสียเงินเสียทอง แต่ายการที่สองการรื้อถอนขึ้นไปไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่เพราะว่าราการจังหวัดสุพรรณเวลานั้นมีนาวโลอัดอาัตไลาขมสิสักอัตวิจิตแอะอัคไ า, าขมิสักมีนาวโรอัยก็ออบประกาศตามที่รัฐบาลสัง่งว่าท่านบนนี้ก็เป็นคนดีมากเหมือนกัน แต่เป็นไม้เบื่อไม่เมาก็เพืแทนสันดอนในเรื่องของการงานในเรื่องของส่วนตัวท่างกขาชอบกันนี่เขาต้องทําอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่ดีถ้าเรื่องส่วนตัวในกินเหล้าเด็กกันก็ได้คุยกันอย่างเป็นปกติแต่เรื่องของทางการนีตยรู้สึกว่าสองคนไม่ถูกกันที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกได้เหตุผล คุณลวงอัดออกน้ำเสียแรงอากาศให้แพรในลำน้าทั้งหมดยกขึ้นมันบกรัศดรก็เดือดร้อนสตางมันหายากโลกรักจะกินเข้าไปในสมัย ส, ยสงครามผ้าผ่อนก็ไม่ค่อยจะมีในเมื่อรัฐบาลมาเล่นแบบนี้เขาก็พังกันเวลานั้นไน่ยคนผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะมี บางทีนุ่มผ้าขาดหน้าขาดหลังเวลาคุยกันไม่กล้าหันหน้าก็หากันเพราะผ้าไม่ขาดในตามมันนอกมีชีวิตของคนในในสมัยโงครามมันหน้าลำเค็นจริงๆไปนุนบาลละสันดอนก็ไปหาหนัาสว่างว่าทำยังไงท่านท่านโูแทนท่านบูทแท น, ท น, ทแทนต้องช่วยผมด้วยนะผมไม่มีเงิน จะกินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วอของก็แพงข้าวกับปันในกรุงเทพหรือก็ปันส่วนข้าวกันกินเวลานี้ภาพพรทอนสบายมันก็ไม่มีแถ้าท่านบุษยแทนจะทำไงเขาจะให้ยกขึ้นแพกขึ้นแล้วผมไม่มีเงินท่านบูษแทนก็ถามว่าเขาสั่งมากี่เดือนนี่พ่อก็จําไม่ได้ อาจจะต้องยกภายในหนึ่งเดือนนั้สองเดือนนั้นสามเดือนถ้าไม่งั้นจะต้องถูกปรับแถูกจองถูกจําแล้วก็ว่ากันไปเถอะเป็นรัฐนิยมหมายความว่ารัฐนิยมหมายความรัฐบาลชอบใครขัดใจรัฐบาลไม่ได้ก็แล้วกันเพราะเชื่อผู้นําชาติพ้นภยัยมาตอนนี้ที่ในสว่างก็มาพิจารณารัฐนิยมที่เขาออกมา เห็นว่ารัฐนิยมนี้ไม่ใช so, uh ่พระราชบัญญัติแล้วก็รัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอำนาจบังคับศาลไม่สามารถจะลงโทษบุคคลพบฝ่าฝืนรัฐนิยมได้เพราะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเอาเขแล้วเพรานั้นว่าในสว่านสนิทพันก็ยังบอกกับรัศดรบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ไอรัฐนิยมนี่ลงโทษคนไม่ได้แต่พวกพ่อแม่พี่น้องถ่านหลานนี่ไปขอร้องกับพวกอะไราการจังหวัดว่าขอยืดระยะเวลาต่อไปอีกแปดเดือนจากกาหนดเดิมกําหนดเดิมก็อาจจะให้หนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนนี่พ่อไม่ทราบแต่ว่าขอยืดเวลาให้ยาวออกไปจากเก่าอีกแปดเดือน ถ้าถึงระยะแปดเดือนถ้ามีเงินก็จะยกขึ้นถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ยังยกไม่ได้อาจจะต้องขอระยะให้ยาวต่อไปอีกดูนี่เป็นวิธีการนี่ผู้แทนได้แท้นะผู้แทนรัศดรจริงๆก็เป็นอันว่ารัศดรทุกคนก็ไปแจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการยะวัตก็ไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของท่านดีการนี่ท่านก็เป็นคนเขร่งครัดแา่ระเบียบวินัยดีไม่ใช่ดีการว่าอย่างนี้กูก็ว่าไปอย่างง้นจะเงินแห้งแรงช่วยภาวะแห้งแรงช่วยไม่จังหวัดจะสามสิบสี่สิบล้านบาทจะทำกันสองสามล้านหายไปหมดไอเงินน้าท่วมกันเหมือนกันรัฐบาลทุ่มเทรัฐบาลห่วงประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ว่าใครตัวอย่างมันมีในบางกรณีที่มีมสมัยก่อนเขาเรือกินจอบกินเสียมกินหิงกินสายอะไรเงี้ยโกงโกงกันเป็นอนว่าในเมื่อในสวาสนิพันธ์ไปนแนะนำให้บรรดาประชาชนไปหาเพราะว่าแบบนั้นท่านพรกว่าก็บอกไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของรัฐบาล ถ้าคุณไม่ทําคุณต้องมีความผิดปรับเท่านั้นลงโทษเท่านี้เป็นเรื่ทั้งแพงแลอาญาบรรดาบัญชาชนอะไรก็วิ่งมาหาผู้ทแทนถ้าเขาว่าอย่างนี้ผู้แทนก็บอกว่าถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นทั้งหมดจนกว่าผมจะบอกว่ายกขึ้น ถ้าเขามาจับพวกคุณมาอะไรเขาจะมาปรับพวกคุณมาอะไรคุณจะเพิ่งให้เขารอผมก่อนถ้าผมติดติดประชุมและคดีเรื่องนี้ต้องถึงศาลผมจะว่าความเองแล้วพวกพอ่อแม่พี่ น, น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดแม้แต่ค่ากินไปพักไปกินไปนอนที่บ้านผมนั่นเรื่องวิธีกรรมโองศาลเนื้อค่าทำเนียมค่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องจ่าย จ่ายจะ่เพียงค่ารถค่าเรือไปบ้านผมท้านั้นพอไปถึงบ้านผมไป็นั่งกินนอนกินอย่นั้นผมจะว่าคดีฟรีถ้าทุกคนต้องถูกปรับหรือทุกคนต้องติดคู่ติดตารางค่าปรับผมจะเสียค่าปรับให้เ้อใครจะต้องติดคู่ติดตารางผมจะติดแทนที่คราวนี้ก็เกิดเป็นไม่เบื่อไ ม, ไม่เบื่อไม่เมากันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> ท่านผู้ว่าท่านก็เคร่งครัดตามคําสั่งรัฐบาลปายนายสว่างก็เคร่งครัดในฐานะที่เป็นผู้แทนรัษฎรเพราะว่ารัษฎรเลือกไปเป็นผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนที่ดีแต่ว่าผู้แทนก็ผู้ว่าคนนี้จะว่ากันยังไงลูกรักของพ่อน้า น, นี้พูดต่อไปไม่ได้จะแล้ว ข้อปรากฏว่าคัดเศษจะสุดเอาฟังกันด้านหน้าต่อไปก็แล้วกันนะสลหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้